จเจริญพรแยติตธรรมทุกทันเนาะเมื่อวานเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นวันวิสาขะประสู ต, ตัสรู้ปรินิพพานนะได้ไปวิยนเทียนกันไหมไปบ้างนะนมาก็ไม่ได้ไปนะอยู่ไม่ได้ กับวัดนะก็อยู่ชมรมนะเพื่อนคุณธรรมแต่ใจก็ระ ล, ลึกถึงนะระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้านะระ ล, ลึกถึงเพราะจริงพระพุทธเจ้าท่านอยู่ทุกที่นะอยู่ทุกที่นะไม่ว่าจะไปหลายครั้งก็มีโอกาสได้ไปต้นพระศรีมหาโพธิฐานที่ตัสรู้นะไปที่ประสูตรนะ ที่ดุมพินีหรือที่ปริมิพานนะกุสิณาดาหรือไม่ได้ไปนะอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็เหมือนก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ทุกที่นั่นแหละอยู่ทุกที่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างอย่างน้มาก็หลวงพ่อํำเขียนแม่ท่านรักสังขาร น, นะมรณภาพไปแล้วก็ก็ยังรู้สึกว่า ไม่ได้หายไปไหนคือหายที่ร่างกายเนาะแต่ที่จริงคำสอนของคกบาจารย์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยยังมีอยู่นะแล้วก็จะเรียกว่าอะไรสอนไปแล้วนะเหลือแต่เรานี่นแหละทำมัังให้มันถึงที่สุดเนาะ <c ười> คือพวะเจ้านะสอนนะตั้งแต่ เริ่มต้นนะผู้ที่ตั้งแต่ยังไม่มีศรัทธายังไม่รู้วิธีปฏิบัตินะจนทั้งสอนวิธีปฏิบัติจนทั้ง อ, อธิบายถึงสภาวะผลของการปฏิบัติธรรมสภาวะบรรุธรรมเป็นแบบไหนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนครูบาอาจารย์ในแต่ใดที่ก็เหมือนกันนะท่านสอนไว้แล้วนะนะ ลูกศิษย์ลูกหาก็มีแต่ปฏิบัตินะ่ะถุนท่านก็ไปแล้ว <c oughs> สอนไว้แล้วท่านก็ไปอ่าอ่บางทีครูบาอาจารย์นะบางทีท่านปฏิบัติทำทําความเพียรกว่าจะเข้าใจธรรมะนี่ยากมากอ่า ม, มีความเพียรมีความมุ่งมั่นนะทําแล้วเองก็ยังต้องมีพอเข้าใจธรรมะแล้วก็ต้องมีความเพียร น, นะสมัยเนี้มีความเพียรในการสอนลูกศิษย์ ความลุกสิทธเองก็มีหลายอย่างมากนะมาแบบอยากทําบุญเฉยๆก็มีอยากเข้าใกล้ก็มีอยากเข้าใจธรรมะอนะ่าอ่าหรือบางทีก็มุ่งมั่นแดงกล้านะจนบางทีก็มากเกินไปก็มีนะเจอหลายแบบนะก็สอนกันไปเท่าที่สอนได้ แต่ถ้าเราะระลึกจริงๆนะคําสอนที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ครูบาอจารย์สอนเราเนี่ยมันเพียงพอกับการที่เราถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยมันเพียงพอนะอย่าอย่าคิดว่าเราไม่มีวาสนาอย่าคิดว่าเราไม่มีโอกาสนะไม่ได้ทันพระพุทธเจ้าไม่ได้ทันครูบาจารย์ ที่ท่านร่วมรับดับคันไปแล้วนะอ ย, อย่าเสียใจในแง่มุมนั้นให้เราเอาคำสอนของท่านเนี่ยมาปฏิบัติจริงๆนั่นแหล ะ, ะถ้าเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนครูบาอาจารย์เองก็ไม่ได้ไปไหนในคำสอนของท่านนั่นแหล ะ, ะคือตัวตนของท่านจริงๆนะตัวตนของท่านจริงๆไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่สถานที่ แต่ตัวตนจริงๆของท่านคือธรรมะที่ท่านแสดงผ่านคำพูดผ่านการกระทานั่นแหละนั่นคือของจริงโดยเฉพาะอย่างหนวงพ่อคำเขียนนะท่านท่านก็สรุปให้เรา ช, ชัดๆท่านบอกเนะี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวนะท่านบอกเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งท่ามกลางแล้วก็เป็นทั้งที่สุดนะ ในการปฏิบัติเบื้องต้นเลยนะรับคนที่ไม่เคยฝึกนะก็ต้องฝึกที่จะรู้สึกตัวให้เป็นนะต้องรู้จักคำว่ารู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวมันต่างกันยังไงนะรู้สึกตัวกับไม่รู้สึกตัวคำว่าไม่รู้สึกตัวตัวอย่างก็คือว่าดื่มตัวนะไม่มีอะไรมากเลยนะหรือบาทีหลวงพ่อพูดว่า ก็มีแค่รู้กับหลงนะ่ะถ้าตอนนี้เรามีรู้สึกตัวนะคําตอบก็คือหลงถ้าตอนนี้มันไม่หลงก็รู้สึกตัวละชีวิตเองถ้าอันนี้พูดในรูปแบบการปฏิบัติเนาะมันมีมาเป็นเหมือนมันมีสองด้านนะ่ะด้านรู้กับด้านหลงด้านขาวกับด้านดำํำนะ่นะอันนี้คือมันเป็นเหมือนอันนี้เป็น วิธีปฏิบัตินะรูปแบบปฏิบัติแต่ถ้าเอาแบบปัญญาเลยนะมีหนึ่งเดียวแต่เราไม่ต้องเอาปัญญามามาพูดตอนนี้นะไม่ต้องเอาปารามาสมาพูดตอนนี้เราพูดถึงการปฏิบัติถ้าเรามีรู้สึกตัวนะมันก็หลงตัวลืมตัวหลงไปนั้นสิ่งที่เราฝึกเนี่ยฝึกที่จะรู้สึกตัวฝึกที่รู้สึกตัว ตัวก็คืออะไรตัวก็คือกายแล้วก็ใจรู้สึกนะในร่างกายรู้สึกนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจ น, นั่นแหละคือรู้สึกตัวนะเดาฝึกที่จะรู้สึกนะทาอะไรนะให้มีความรู้สึกนะในการกระทานั้นๆดนะางจานนะรู้สึกตัวกินข้าวรู้สึกตัว นอนรู้สึกตัวแม้แต่พูดนะก็ยังรู้สึกตัวได้ฟังนะก็รู้สึกตัว <c oughs> การรู้สึกตัวเนี่ยคือทําอะไรก็ได้นะด้วยความรู้สึกตัวนะแต่มันก็ไม่ใช่ไปว่าเราจะไปทไําร้ายคนอื่นด้วยความรู้สึกตัวนะตียุงด้วยความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่นะกินเหล้า <c oughs> ด้วยความรู้สึกตัวอันนั้นมันรู้สึกแต่ ร่างกายที่ขยับเฉยๆนะั่นไม่ใช่นะเพราะรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยมันมันแทงทะลุเข้ามาถึงใจเลยนะคือใจใจมีอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกตัวจริงๆนะแม้เราจะรู้กายอย่างเช่นมือปืนเนี่ยเขาเขามีความตั้งมั่นในการเหนี่ยวไกนะเขามีความรู้สึกตัวในการที่จะ เรียกว่ารู้จังหว ะ, นะในการยิงนะแต่มันไม่มีแต่จิตมีความอาจจะมีความโลภทำด้วยค่าจ้างอาจจะมีความโกรธทำด้วยความไม่พอใจอันนั้นก็ไม่รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวจริงมันจะนำให้เราเข้ามาเห็นจิตใจการที่เรารู้สึกที่ร่างกายเนี่ยเหมือนเป็นประตูเข้ามาสู่ใจนะนะ แต่บางทีการเข้ามาสู่ใจโดยตรงบางทีก็ยากสำหรับบางคนนั้นการที่เราฝึกที่จะรู้สึกถึงร่างกายเวลาทำอะไรก่อนเนี่ยมันเป็นประตูนะมันเป็นฐานที่สำคัญนะนั้นอย่างสายของพ่อเทียนฮะก็จะเน้นย้ำเรื่องการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะหรืออีกบทต่างๆนะนอกรูปแบบนะ พยายามที่จะฝึกรู้สึกตัวไปกับอีเดียล์ต่างๆให้เยอะๆมันคืออะไรมันก็คือทำให้เราฝึกที่จะไม่ลืมตัวฝึกที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกที่จะทำให้เราอย่าไปหลงไปกับความคิดนานๆเนาะเพราะถ้าเราไม่ฝสึกตัวเนี่ยเราก็จะนั่งเมื่อยลอยนะคำว่าสัตว์คำว่าเดระฉานก็คือน่นะ ในตาชา น, นี่มีภพภูมิที่เขาอาจจะคุ้นชินกับความเมื่อยลอยกับความเป็นโมหะนะโมหะนะใจลอยไปเพลินไปคิดไปเนี่ยโมหะโมหะนี่โอ้มันมันมันยากมากนะที่เราจะเห็นเพราะบางทีโมหะนะบางทีมันเจอด้วยความรู้สึกว่ามันถูกมันดีก็มี คำว่าจินตนาการที่เราใช้เยอะๆเนี่ยบางทีก็จินตนาการแบบโมหะก็มีนะแต่ตั้งใจที่จะคิดเพราะเป็นการงานก็อันหนึ่งนะแต่บางทีจินตนาการนะไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็โมหะนะอ่าบางทีก็มีนะก็ต้องระวังแต่คราวนี้เราพยายามกลับที่จะมารู้สึกตัวบ่อยๆก็คือฝึกที่จะให้จิตใจนะ มันกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำให้จิตใจกลับมารู้สึกที่ร่างกายพอเรากลับมารู้สึกที่ร่างกายได้บ่อยมากขึ้นเมื่อจิตใจมันผิดปกติขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นจิตมันหนีไปคิดเราก็เห็นจิตมันไม่พอใจมันก็เห็นจิตมันไหวเล็กๆน้นอยๆเราก็เห็น หรือบางทีเราเห็นร่างกายได้บ่อยมากขึ้นบางทีความไม่ปกติที่มันเกิดขึ้นที่ใจนะแต่บางทีเราเห็นใจไม่ชัดแต่เราเห็นที่กายมันชัดนะบางทีมันก็ย้อนเห็นกายก่อนแล้ย้อนมาเห็นใจเช่นบางครั้งมันมันโกรธนะตัวมันร้อนหน้าร้อนอนะหายใจไม่สบายนะมันก็ กายไม่ปกติแล้วแต่มันก็อาจจะเห็นใจไม่ปกติอะไรนะ่ะอย่ากจะมานะเคยถูกอาจารย์ทักตอนนึนกะบวนนะสุทธิศาสต์คิ้วเธอขมวดแล้วอ่ตอตางทีเราก็ขมวดจริงแหละเราถูกแดดอนะไรน่ะขมวดเพราะแพ้แสงอันน้นหนึ่งนะแต่แต่มันตอนนั้นมันเห็นว่าใจเรานั่ยแหละมันไปยึดไปโกรธเยอะนะ คิ้วขโมดก็คือที่จริงใจเราเนี่ยแหละมันกำลังมันกาลังแบบแน่นมันกำลังอึดอัดมากนะอพอมีคนทักอย่างนั้นเราปุ๊บเข้ามานะเหมือนแต่ก่อนนะจิตมันส่งออกนอกเวลาเราไม่พอใจใครเนี่ยเราก็จะไปคิดแต่เรื่องเหตุผลผูกผิดนะคิดเอาอะไรข้างนอกนะคิดเขาไม่ดีเขาผิดเขาอะไรยังไง คิดเรื่องแต่เรื่องข้างนอกแต่พอถูกทักเข้ามานะย้อนเข้ามาดูที่ตัวเองอืมมันเหมือนคล้ายๆข้างนอกไม่สำคัญเท่ากับข้างในคือใจที่มันโกรธอยู่เนี่ยถ้าเรากลับมาเห็นใจที่มันโกรธได้นะไม่ต้องทำอะไรเลยนะความโกรธจะหายไปของมันแบบเป็นไถไม่รู้ <c oughs> ไม่ใช่ค่อยๆหายเลยนะเมื่อทัศนสติมันมีกำลังที่ดูแบบ ไม่ได้ตั้งใจที่จะดูไม่ได้คอยที่จะดูนะไม่ได้ดูด้วยความหวังว่าดูแล้วจะต้องหายหรืออะไรนะแต่มันดูเฉยๆอ่ะถ้าเปรียบนะเหมือนกับยิงยิงนกนะยิงปุ๊บนะถ้ามันถูกตรงๆจริงๆเนี่ยมันร่วงปั๊บเลยนะมันร่วงเนะี่ยเวลาที่กำลังสติมันมีกำลังมากจริงๆนะเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ย มันดับให้เห็นต่อหน้าตาตาแล้วมันก็น่าอัศจรรย์นะว่าเออที่เราโกรธข้ามวันข้ามคืนเนี่ยมันหายได้ก็มันหายแบบหายเป็นปิดทิ้งนะไอมาก็เอกใจตัวเองอยู่เ อ, อ๊ะทำไมมันแปลกนะมันแปลกเหมือนเราแบบกำแน่นๆแล้วแล้วแบบอยู่ดีมันคายไปเลยแบบไม่มีอะไรเลยนะก็ แต่มันก็เป็นแค่ขนาดนั้นทำให้เราคลายความโกรธแต่กิเลสนี่มันก็เยอะนะตัวนี้มันหายไปตัวหลงตัวอื่นมันก็เข้ามาเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ใช่แปลว่าเราดีเราทำได้ตอนนี้แล้วมันจะทำได้ตลอดไปนะมันก็ไม่ใช่นะนั้นการที่เราฝึกบ่อยก็เนี่ยแหละเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาเมื่อความคิดความหลงมันเกิดขึ้นมา เราก็จะรู้รู้ทันเขาบ่อยนะบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะบ่อยขึ้นในฝึกนะกันะกที่เราฝึกรู้กายก็ดีมันจะนําไปสู่การรู้ใจนะอย่างที่พระเจ้าท่านสอนน่ะท่านเทศไม่ใช่เทศหรอกท่านอุทานกับตัวเองวันที่ตัสรู้นี่แหละนะนะนะเราวนเวียนในวัฏสงสารมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะ เป็นทาสของนายช่างผู้ปลูกเรือนนะคือตันหาผู้สร้างภพนะการเกิดทุกคราวนะเป็นทุกขล่่าไปนะตอนนี้เรารู้จักแล้วว่าคนไหนคือนายช่างนาะยช่างมันสร้างเรือนสร้างบ้านนะ ข, ของให้กับมนุษย์อย่างไรเนะี่ยพระทจาท่านคนพบแล้วท่านไม่ให้ในายช่างสร้างได้แล้วนะก็คือเนะี่ยบอกเลิกนะ เลิกสัญญาไม่ให้เขาทำต่อคือตัวเนี่นะตัวตัณหาผู้สร้างพบตัณหาอะไรความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาส่วนทั้งการอยากที่ในการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือตัณหาเนี่ยจะเรียกว่า ตัวอวิชชานะตัวรากเง่าของความหลงเลยจริงๆคือตัณหามันย้อนกลับมาเห็นที่ตัวตัณหาความอยากอะไรเวลาเราโกรธเนี่ยเพราะอยากอะไรอยากให้เป็นอย่างใจของเราหรือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เขาทำอย่างนั้นมันก็คือไม่อยากคือบางทีก็อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการ หรือบางทีก็ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนเงี้ยก็คือตัวทันหานะในแง่มุมหนึ่งหรือบางทีมันอาจจะอยากได้อยากได้ยินแบบนี้แต่มันไม่ได้แต่มันไม่ได้ยินแบบที่ต้องการนะมันก็คือเกิดความกลัวขึ้นมาบ้างเกิดความโลภขึ้นมาบ้างเกิดความหลงขึ้นมาบ้างอันนี้คือทันหานี่ตัวสร้างภบสร้างชาติภาวนาไปนะเห็นกาย เห็นใจนะเห็นอาการของเขาแล้วมันจะเข้าไปถึงไอ้ตัวตันหานะตันหาคือตัวอวิชานะที่สร้างพบสร้างชาติในจิตใจขึ้นมาแลวนะนะี่มันจะย้อนเข้ามาเห็นตรงนี้แล้วมันถ้าถอนได้จากข้างในเนะี่ยข้างนอกเนี่ยไม่ได้สำคัญเลยนะถอนได้ที่ตัวตันหานะ ตัวอวิชชานะที่เป็นเหตุของความทุกข์ของความหลงต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นอิสระพ้นนะพ้นจากความทุกข์ได้นะนี่คือมันเริ่มต้นจากการฝึกรู้สึกตัวเนี่ยแหละนะฝึกที่จะนะเรียกว่าหลงน้อยลงนะหลงสั้นลงนะไม่ได้ห้ามความคิดนะ ไม่ได้ห้ามความหลงนะแต่ฝึกรู้ทันความคิดให้บ่อยขึ้นให้เร็วขึ้นฝึกรู้ตัวเมื่อมันหลงไปให้บ่อยๆเ น, นี่ยนะแล้วก็ฝึกรู้กายด้วยฝึกรู้ใจด้วยแบบนี้ฝึกแบบนี้บ่อยๆอันนี้คือเป็นเบื้องต้นแล้วก็อย่างที่ว่าให้รู้ว่าบางทีไอ้ที่ไม่รู้สึกตัวหรือไอ้ที่บางทีเราพยายามจะรู้สึกตัวนะ บางทีมันก็เป็นความไม่รู้สึกตัวนะคือเวลาบางทีเราบางทีเราตั้งใจมากไปเนะี่ยบางทีเราไปเพ่งเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งลมเกินไปเนะี่ยมันไม่ใช่การรู้สึกตัวที่มันถูกเพราะอะไรมันเพ่งเกินไปมันตั้งใจเกินไปนะนะการรู้สึกตัวนะต้องผ่อนคลายนะต้องสบายนะ แต่ก็ต้องรู้นะอาจจะมีความตั้งใจใหม่ๆตั้งใจนิดนึงนะแต่อย่าไปมากเกินไปถ้ามากไปมันจะกลายเป็นเพ่งเป็นจ้องเป็นทํานานๆก็อึดอัดก็แน่นนะอ่แล้วบางทีเรารู้สึกตัวนะไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดการรู้สึกตัวที่เป็นอัตโนมัติของมันเองนะไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้นะแต่มันขยับมันก็รู้อะ มันเป็นธรรมชาติมันก็รู้นะมันทำนั่นทำนี่มันก็รู้ของมันได้บ่อยขึ้นรวมทั้งการไปรู้จิตใจรู้ความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ไปคอยรู้นะไม่ใช่ไปอรอดูนะแต่มันคิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้มันหลงขึ้นมาแล้วค่อยรู้นะไม่จะต่างอะไรนะบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเรากาลังไปรอที่จะรู้ไปคอยที่จะรู้ ไปเฝ้าที่จะรู้มันดื้อไปละมันหลงไปละหลงไปรอหลงไปคอยลงไปเฝ้านะมันเหมือนคล้ายๆเราไปถดดั่ที่จะไปดูปลาในน้ําอ่ะเราจมเข้าไปในตัวรู้ในอาการที่อยากจะรู้แต่การเช่นเวลาเกิดความคิดเกิดความหลงเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยรู้ตัวอะรู้ตัวอ่าไม่ใช่ไปรอดูน ะ, ะนั้นที่จริง เวลาปัจุบันจริงๆเราก็รู้สึกนะเอากายเป็นฐานไว้รู้สึกตัวที่ปัจจุบันที่ร่างกายไว้เมื่อจิตมันเผลอไปนะแล้วค่อยรู้จิตเผลอไปแล้วค่อยรู้แบบนี้นอย่าไปคอยรู้รอดูอะไรนะน ะ, นะรู้แบบเนี้นบ่อยๆกำลังสตินะความรู้สึกตัวมันจะพัฒนามันจะมากขึ้นกลายเป็นสภวาวะเป็นผู้รู้ เป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นกลายเป็นสภาวะไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่เราเป็นผู้รู้นะแต่เกิดเป็นผู้รู้ขึ้นมาในใจเกิดสภาวะที่เรียกว่าเห็นเห็นรูปเห็นนามนะความรู้สึกที่ว่าเป็นเรานะเป็นของของเราเนี่ยมันจะบางลงไปนะมันจะวางลงได้นะเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนาม เห็นเป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามแต่ก่อนเนี่ยมันคืออากตานของเราเราปวดเราเมื่อยเราหิวเราคิดนะเราสุขเราทุกข์ถ้าถ้ามันเห็นได้เนี่ยคือมันอาจจะพูดว่าเราแบบสมมตินะแต่ใจลึกๆมันมันเห็นมันเห็นไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นจริงๆนะแต่มันเป็นเพี้ยเพียงแค่อากตาน ของใจไม่ใช่แปลว่าปฏิบัติแล้วจะไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการนะมันมีแต่มีแบบแค่เห็นว่ามันเป็นคือเป็นขันห้าที่มันแสดงอาการของมันนะคนคือนักปฏิบัติธรรมก็ยังมีความรู้สึกอารมณ์คล้ายๆคนทั่วไปนะมี พอใจมีไม่พอใจนะมีเศร้ามีดีใจนะแต่ถ้าเราสามารถเห็นมันได้เนะี่ยมันจะเหมือนมันจะมีสภาวะที่มันห่างออกไปจากใจนะมีอาการอยู่แต่เข้าไม่ถึงใจนะถ้าเปรียบเหมือนนะักคล้ายเหมือนฝนมันตกอะแต่เรามีร่มมันก็มันก็ยังมีฝนตกหรือแดดร้อนข้างนอกนะ แต่พอเรากลางร่มแล้วมันก็ความร้อนหรือแล้วอองฝนนะมันก็มันไม่ถึงตัวมันไม่ถึงตัวเพราะว่ามีร่มเป็นกาบังเนาะสติความรู้สึกตัวเองก็เหมือนกันะเหมือนเป็นร่มที่กําบังให้มันเข้าไม่ถึงใจนะบางทีตรงข้อก็มังเขียนนะท่านยกตัวอย่างว่าบางทีมันมันก็อมยิ้มมันเหมือนสนุกสนุกนะ เวลาเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์แล้วมันมันไม่ถึงใจท่านยกตัวอย่างมาก็รู้สึกช่อมากมันเห็นภาพท่านบอกว่าเหมือนเราอยู่ในม้งนะแล้วยุงมันบินนะบินรอบรอบม้งนะมันจะเข้ามาตัดเราไม่ได้นะมันมันมันถูกม้งมันกันไว้แล้วนี่คือสภาวะที่มันมีความรู้สึกนึกคิดนะแต่พอมันเป็นผู้ มันสามารถเป็นผู้เห็นได้นะมันมันเข้าไม่ถึงใจมันมีนะไม่ใช่แปลว่าเราจะพยายามทําให้มันไม่มีนะอาทีนักปฏิบัติธรมนะสิ่งที่ต้องระวังคือบางทีเราพยายามที่จะเฉยที่จะนิ่งที่จะเป็นไม่มีความรู้สึกตึกคิดไม่มีความพอใจไม่มีความไม่พอใจนะบางทีเรามันเป็นกลายเป็นไปธรรมนะ ทำให้เฉยทำให้นิ่งทำให้ซึมซึมทำให้ไม่ดีใจเสียใจนะแต่จริงลึกๆแล้วคือมันทำโดยไม่รู้ตัวนะทำเยอะๆมากเนี่ยบางทีกลายเป็นกลายเป็นมืนเนาะนะกลายเป็นมืนเป็นเฉยไม่รู้ว่ามีอารมณ์อะไรรู้สึกอะไรนะบางทีมั น, ม, นมันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เฉยจริงๆนะแต่เป็นเฉยแบบ แบบกดข่มใช้แบบบังคับใช้แบบไม่ไม่ตื่นไม่ตื่นแต่การตื่นจริงๆนันคือเหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแต่สติตื่นเป็นผู้ดูเห็นเน่ยเห็นอาการของรูปอาการของนามนะเห็นการทำงานของขันอ่าขันยังมีนะขันก็ทำงานของมันนะ แต่เห็นมาเป็นแค่เป็นการทํา ง, งานของขันห้า <c oughs> ไม่ใช่ไแปบบไม่ใช่ไปยึดขันห้าพุทธเจ้าท่านบอกว่าว่าโดยย่อนะอุปท า, านขันทั้งห้าเป็นตัวทุกพูดง่ายง่ายกว่าโดยย่อก็คือว่าเมื่อไรที่เราไปยึดขันห้าเป็นตัวเรานั่นแหละมันทุกตอนนั้นอ่าคือเราไปยึดเมื่อไหร่มันก็เป็นทุก แต่ถ้าเห็นขันห้ามาทางานเนี่ยไม่เป็นทุกข์่างต่างกับตรงนี้นะว่าได้ย่อการไปมีอุปทานขันทั้งห้ามาเป็นตัวทุกข์อันนี้ในภาคปฏิบัตินะแต่ในภาคความจริงอีกแบบหนึ่งคือขันห้าเองมันก็เป็นทุกข์ของมันมันเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นทุกข์แบบธรรมชาติของมันแต่คล้ายๆถ้าเป็นทุกข์เหมือนกับ กองไฟนะกองไฟมันร้อนเมื่อใดที่เราไปจับกองไฟเข้าใกล้กองไฟนะ่ะเราก็เลยร้อนนะขันห้ามันเป็นของร้อนนะมันเป็นตัวทุกข์เราไปยึดมันมันก็เลยเป็นทุกข์นะแต่เราก็ต้องอาศัยมันนะเราอยู่ในโลกเราก็ต้องใช้ขันห้านะแต่เราใช้แบบผู้ที่มีปัญญาเห็นว่า ขันห้าไม่ใช่เราขันห้ามันเป็นของที่มันเป็นทุกข์นะจะไปยึดให้มันเป็นสุขไม่ได้นะไปจะไปยึดเป็นตัวเป็นตนนะก็ไม่ได้ไปยึดคืออะไรอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะที่เราปฏิบัติเนาะก็อยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันสบายเนี่ยเนี่ยคือมันไม่มีเนาะก็อยากให้มันมี หรือมันมีแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆเนี่ยนี่คือการไปปรุงแต่งคือการไปยึดลนะนะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาลนะนะถ้าเราเห็นนะเห็นการไปยึดเห็นการที่หลงไปยึดมันนั่นแหละมันจะคลายออกได้การปฏิบัติทำจริงๆนะถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆเนี่ยคือเห็นความหลงนี่แหล ะ, ะเห็นความหลงบ่อยมากปฏิบัติทำนี่นะ ถ้าเราปฏิบัติมาเยอะนะพอสมควรเราจะเห็นว่าโอ้ความหลงนะก่อนปฏิบัติรมนะหลงว่าเราดีหลงว่าเราสงบหลงว่าเราไม่ทุกขนะ์หลงว่าเรามีความสุขเนะี่ยแต่พอปฏิบัติเรื่อยๆนี่โอ้วันวันหนึ่งนี่ทุกข์เยอะมากเลยนะแต่ก็ยิ้มให้กับความทุกข์ได้เยอะนะ <c ười> คือทุกข์เพราะเห็นจิตมันงดหงิดอ่นะ เห็นจิตมันอยากนะแต่พอเห็นมันได้ก็ยิ้มให้มันได้นะอืมบางทีก็หลงไปเป็นกับมันบ้างบางทีก็ไม่เป็นกํามันบ้างนะเราก็เห็นความหลงนะที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยมากเห็นความหลงที่มันเกิดขึ้นกับตายกับใจนี้แล้วนะเข้าใจตัวเอง ม, มากขึ้นนะเข้าใจว่าเออแต่ก่อนนี้เราหลงมาเยอะขนาดไหน แล้วก็เข้าใจว่าถ้าเราไม่ฝึกปฏิบัติตอนเนี่ยเราก็จะหลงแบบนี้ต่อไปหรือบางทีมากขึ้นปฏิบัติแล้วมันเห็นความหลงได้มากขึ้นนะมันก็หลงน้อยลงเข้าใจคนอื่นด้วยคนอื่นเขาก็หลงเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาจะรู้ตัวมากหรือรู้ตัวน้อยเนี่ยมันก็มันก็น่าเห็นใจหรือว่าจะช่วยกันได้ขนาดไหนเนาะว่าเออเขาจะรู้ตัวไหมเวลาเขาหลงนะ เราจะช่วยเขาดูตัวได้หรือเปล่านะอะนันนีคือเขาหลงเขาก็เลยโกรธเขาหลงเขาก็เลยโลภนะมันก็น่าเห็นใจนะไม่ใช่ไม่น่าซ้าเติมนะน่าเตือนน่าบอกนะน่าสอนไม่ใช่ไปโทษเขานะถ้าบอกได้นะมันก็จะเห็นใจโอ้คนเราเนี่ยที่จริงที่ทำผิดศีลก็ดีที่ด่ากันก็ดีที่ทำร้ายกันก็ดี เบียดเบียนกันก็ดีเนะ่ยด้วยความหลงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยสัตว์โรคมันก็เบียดเบียนกันแบบนี้นะอืมคล้ายๆเหมือนกับเราขังสัตว์นะมาอยู่ในที่แคบๆนะอยู่รวมกันเน่ะมันก็เบียดกันมันก็ตีกันะมันก็ทําร้ายกันนะมนุษย์เรานะสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าไม่เคยฝึกเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทบกระทั่งมันทําร้ายซึ่งกันและกัน แต่ถ้าฝึกดีหรือฝึกพอสมควรเน่ยมันก็จะระวังตัวไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นนะระวังตัวให้เราอยู่ในที่ที่เราปลอดภัยนะเาจะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยอันนี้คือพอเราเริ่มเข้าใจตัวเราเองนะเข้าใจคนอื่นให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นคนอื่นที่เขาหลง ก็อาจจะด่าเราอาจจะคิดไม่ดีกับเราอาจจะวิจารณ์เราเหลืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เราก็เห็นว่าเออถ้ามันถูกก็ดีก็จะเอามาดูตัวเองถ้ามันไม่ถูกก็ก็แค่ทิ้งไปก็แค่วางไปเข้าใจคนอื่นนะแล้วก็เวลาที่อยากจะให้คนอื่นเขาเปลี่ยนจริงๆก็ไม่ใช่ไปเปลี่ยนคือไปบังคับให้เขาเปลี่ยน แต่เราพยายามเข้าใจเขาสะท้อนเขาให้เขาเห็นว่ามันด่งตรงไหนจะแก้อย่างไรนะช่วยด้วยเมตตาช่วยด้วยความปรารถนาดีไม่ได้ช่วยด้วยโทสะต่างกันนะอืมช่วยด้วยโทสะเนี่ยเหมือนบังคับมาหรือว่าบางทีมันทิมแทงนะแต่ช่วยด้วยเมตตาเนี่ยมัน มีความปรารถนาดีคนอื่นเขาก็รับรู้ได้เนี่ยความรู้สึกตัวนะมันจะช่วยให้เราได้เห็นสภาวะตรงนี้แล้วที่จริงแล้วผู้ที่มีสติเต็มรอบมีความรู้สึกตัวเต็มรอบก็คือพระอรหันต์นั่นแหละแต่ไม่ใช่แปลว่าท่านไปยึดสติท่านไปยึดว่าเราเป็นผู้ที่มีสติ แต่สติมันเ ล, ลึกได้โดยเป็นธรรมชาติสติเป็นธรรมชาติสติบริสุทธิ์สติที่มีอุเบกขาแล้วแลอยู่อุเบกขาคือใจเป็นกลางใจที่ตั้งมั่นแล้วแลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับแลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา มันเป็นเพียงแค่ธาตุเ ป, เป็นเพียงแค่ขันนะมีสตินะีเป็นที่สุดนะมีสติดูแลกายดูแลใจมีสติเห็นอาการเกิดดับของรูปของนามมีสติเห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูปของนามนะจิตเป็นอุเบกขาไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือนะไม่หวั่นไหว ไปกับธรรมอารมณ์ต่างๆอันนี้คือสติปัฏฐานนะหรือการภาวนานะ ม, นนมันเป็นมันเป็นมัชนะเพื่อไปเกิดผลนะทุกขณะที่เราปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องรอเราเป็นพระอาหารหันต์นะที่ จ, จริงทุกครั้งที่เราภาวนามันก็จะสัมผัสสภาวะเหมือนนิพพานน้อยๆนะความ ผลทุกน้อยๆ น, ยนะทุกขณะเลยนะน่าอัศจรรย์มากธรรมะเนี่ยปฏิบัติเมื่อไหร่นะได้ผลเมื่อ น, นั้น <c oughs> ไม่ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ผลเมื่อ น, นั้นเดียวกันนะไม่ว่าเราจะปฏิบัติมาหลายปีแต่พอเราลืมปฏิบัติเราลงโลกเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนคนทั่วไปเลยนะก็โกรธก็เหมือนคนทั่วไปโรคก็เหมือนคนทั่วไปเลยนะ แต่ถ้าเราฝึกมาพอมควรมันอาจจะทำให้เราดื้อตัวได้เออเผลอไปกอแล้วนะโรคเกินไปนานไปแล้วนะมันก็จะเตือนตัวเองเข้ามาให้กลับมาอยู่กับการปฏิบัตินะไปดองโลกนานเือนไปแล้วนะอ่า <c> อ <oughs> นะ่านะงทีคนที่สนใจปฏิบัติจริงๆนะมันก็ต้องมีความต่อเนื่องนะต่อเนื่องที่จะฝึก ใมันไปเรื่อยๆนะอาจจะหมาว่าที่จริงปฏิบัติธรรมจริงๆน่ะมันไม่ได้ยากแต่ไอ้ที่มันยากจริงๆคือความต่อเนื่อง <c oughs> ความตั้งใจที่จะเรียก ว, ว่าปฏิบัติให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเพราะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติต่อเนื่องเรื่อยๆนะ่ะมันก็จะเกิดเกิดกำลังนะเกิดกำลังของ สติสมาธิปัญญาที่มันพัฒนาของมันแล้วบางทีไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงนะมันหลงแน่นอนหลงแน่นอนนะเพราะว่ามันเหมือนเราแม้เราจะศึกษามาดีขนาดไหนยมเวลาเดินทางไปอะเอายง่ายนะเหมือนเราสมัยนี้นะัมันง่ายมากนะมี Google กูเมนะมันบอกเส้นทางของเรานะแต่เราก็ยังหลงตามมันก็มีนะ ขนาดมันบอกทุกแยกทุกมุมนะมันก็ยังมันก็ยังแบบมีความผิดพลาดได้ใช่ไหมดังการภาวานาเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นทางแยกตรงไหนเป็นทางหลงตรงไหนเป็นทางตันเนี่ยมันหลงแน่นอนแต่มาก็ได้ึกถึงสิ่งที่หลวงพ่อท่านเคยพูดไว้นะก็มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นท่านบอกว่าจะหลงไปแบบไหนก็ดีนะ ถ้าภาษานักปฏิบัติแบบสายหลวงพ่อเทนใช่บอกเป็นวิ ป, ปัสสนูก็ดีเป็นจินตยานก็ดีเป็นวิปปราชก็ดีนะถ้าบอกกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวให้ได้กลับมารู้สึกตัวให้ได้นะมันจะทําให้เราพอเรากลับมารู้สึกตัวได้ได้เนี่ยถ้ามันหลงมันจะย้อนเข้าไปเห็นอ้อเมื่อกี้มันหลงยังไงอ่า ถ้ากลับมารู้สึกตัวได้นะไม่เข้าไปอยู่ในความรู้ไม่เข้าไปอยู่ในความสุขไม่เข้าไปอยู่ในนะความยึดถือนะ่ะแม้แต่ด้านดีนะพอเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยจิตจะเป็นกลางจะเห็นว่าเมื่อกี้มันติดดีอย่างไรเมื่อกี้มันติดรู้อย่างไรเมื่อติ้ติดอารมณ์อย่างไรนะกลับมารู้สึกตัวให้ได้เนะี่ยเป็นวิธีแก้เป็นวิธีแก้เวลาปฏิบัติจริง มันหลงแน่นอนแต่เรามีเครื่องมือเ น, นะ่กลับมารู้สึกตัวให้ได้นะมันจะเห็นสภาวะที่เป็นกลางสภาวะที่ไม่เข้าไปอยู่ในบวกในลบเป็นอย่างไรไม่ได้เข้าไปอยู่ในในดีในไม่ดีอย่างไรนะมันจะเห็นตัวเนี้ยนะ่ะมันจะเป็นวิธีแก้ให้เราเออเดินทางต่อได้นะเดินทางต่อเริ่มต้นใหม่นะนะักปฏิบัติทําจริงๆเนะี่ยเหมือน เหมือนเหมือนมีชีวิตใหม่ทุกขณนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเดินไปเพื่อให้ถึงปลายทางไม่ได้รีบแล้วก็ไม่ได้เป็นพวกประเภทสะสมไม่ว่าเราเดินมาไกลเท่าไหร่นะแล้วก็กังวลใจนะแต่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินอย่างมีสติทีละก้าวนะอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างมีสติทีละขณนะมีความพอใจในการที่ ได้มีสตินะที่ลักษณะที่ลักษณะที่ลัะไปตรงนี้แหละชีวิตจะพบกับความสุขที่ที่ง่ายนะชีวิตจะพบกับความคล้ายความสบายนะนะได้ได้บ่อยขึ้นนะก็เป็นกำลังใจเนาะให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมทุกทุ ก, ท, กท่านแล้วก็ ให้เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางกันเนาะญาติโยมเนาะจะอยู่ที่ไหนนะวันนี้เรามาเจอกันก็ได้ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะวันอื่นเราไม่ได้เจอกันก็ให้เราอุ่นใจให้เรามั่นใจว่าเราเป็นเพื่อนนอกจากเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะเพื่อนร่วมทุกนะเราก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางในการที่จะพ้นจากความทุกข์เหมือนกันนะอ่า แม้จะเป็นส่วนน้อยของโลกนี้นะโลกนี้ยังมีคนที่หลงเยอะนะแต่ก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตอย่างทุกน้อยลงนะหรือว่าพ้นจากความทุกขนะ์นยก็ให้เราเราได้ตั้งใจว่าทางที่เราเดินตรงนี้นะเป็นทางที่พระพุทธเจ้าท่านท่านค้นพบ แล้วก็ท่านเห็นว่ามีค่ามากท่านมาบอกพวกเราไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็ทำให้เราได้เห็นพูดให้เราได้ฟังแล้วนะมีแต่ตัวเราเนี่ยแหละนะมีแต่ตัวเราเนี่ยแหละที่จะตั้งใจที่จะเดินทางเส้นนี้จริงจริงหรือเปล่านะทางเส้นนี้ถ้าตั้งใจจริงนะก็ได้ผลจริงนะแต่ไม่ใช่แปลว่าเราต้องทิ้งทุกอย่าง ทั้งทั้งหมดทั้งโลกนะอ่าค่อยค่ อ, คอทิ้งอไอ้ที่มันไม่จําเป็นอ้ที่ไม่เป็นสาระค่อยค่อ ย, อยทิ้งไปแล้วมันจะเหลือสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันมันมันจำเป็นมันต้องใช้ก่อนก็ก็เอาไว้ก่อนแต่ที่จริงการทิ้งจริงๆคือทิ้งอดีตที่ผ่านไปแล้วทิ้งอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทิ้งความคาดหวัง ความต้องการจากโลกนี้ไปนะอยู่กับเพียงแค่ปัจจุบันไปนะให้มากที่สุดนะนะก็ฝากไว้ทำไมตอนฟังธรรมกับตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนฟังธรรมเนะ สังเกตดูตัวเองนะเหมือนต่างกันอย่างไรนะอันไหนอันไหนรู้สึกตัวอันไหนมากไปอันไหนน้อยไปเนาะดูตัวเองนะอืมอืมแต่และคนทีก็ไม่เหมือนกันหรอกนะอ่าไม่เหมือนกันก็ถ้าคนที่เคยปฏิบัติแล้วก็นะก็เชิญนะเหมือนเดิมก็ ใช้สถานที่ด้านบนก็ได้หรือในห้องนี้ก็ได้นะปฏิบัติแล้วก็สับ11็ดโมงยี่สิบก็ได้นะเป็นโมงยี่สิบก็กลับมาแล้วทำในรูปแบบนะในทำในรูปแบบคือเนะี่ยทำท่าสิบสี่จังหวะหรือเดินจงกลมไปนะ สิ่งสำคัญคือให้ให้เราทำสบายๆนะอย่าไปคือตั้งใจขึ้นนิดนึงนะแต่อย่าไปมากเกินไปนะคือเพราะเวลาทำในรูปแบบมันคือมันจะทำต่อเนื่องสักพักหนึ่งอะ่ะเวลาเราตั้งใจมากนะถ้ามันนานมันจะเหนื่อยมันจะทุกข์เนาะ ถ้าเราตั้งใจนิดนึงเนะี่ยมัน เ, เหมือนจะททำให้เราได้อยู่กับการปฏิบัติได้เรื่อยๆยิงถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มเริ่มจะเรียกว่าเริ่มได้อารมณ์ปฏิบัติไดอารมณ์ปฏิบัติคือเหมือนเหมือนเป็นความเพลินในการปฏิบัตนะิมันก็จะมันก็จะทำให้เรามีความสุขมีความสบายในการปฏิบัตินะ่ะเหมือนมันคล้ายๆมันจับอารมณ์ได้นะ่ะ เหมือนเราทำงานแล้วมันเหมือนจับจังหวะจับจังหวะได้มันจะมีความเพลินทำได้ต่อเนื่องได้เรื่อยแต่ถ้าเราแบบตั้งใจมากเกินไปอ่ะมันจะมันจะหนักมันจะเหนื่อยนะอันน้นเวลาเราทาแต่แต่บางทีไปคาดหวังว่าอยากให้มันดีนะมันจะไม่ได้นะบางครั้งวันนี้เราทำได้ดีโอสบายนะแล้วตอนบ่ายอีกนะ จะเอาให้ได้เหมือนตอนเช้าแบบเนี้ยมันจะไม่ได้นะ <c oughs> คือทำบางทีมันคาดหวังไม่ได้เลยนะแต่เราแค่ทำเหตุให้มันให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะเหมือนมีความตั้งใจเช่นนะียตั้งใจเคลื่อนตั้งใจหยุดไปจังหวะแต่ก็มีความผ่อนคลายในการทีขณะนะไม่ใช่แบบรอผ่อนคลายตอนทาเสร็จเลนะค่อยผ่อนคลายแต่จริงทุกขณะ สบายผ่อนคลายรู้ตัวอืมจิตขณะอืมนี่คือถ้าทำในรูปแบบเนาะก็ให้มีความผ่อนคลายสบายนะเข้าไปอยู่ในความตั้งใจเจตนาเล็กน้อยนะแล้วพอมันเริ่มได้ได้อารมณ์ปฏิบัติมันก็ทำมันก็จะ ส่งเสริมให้เราทำได้เรื่อยๆได้นานขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ไปว่าต้องทนให้นั่งนานนานดีกว่านั่งไม่นานเดินเยอะๆดีกว่าเดินน้อยนะสิ่งที่หลงพ่ะเทียนท่านเน้นคือมันไม่ใช่เน้นที่ท่าแต่แม้เราเปลี่ยนอิริยาบถเวลาเราจะเปลี่ยนนั่งคัดสมาธิเป็นนั่งพับเพียบขนาดที่เปลี่ยนก็ให้เรารู้สึกตัว คณะที่เรากลาบพระจะเดินไปเข้าห้องน้ำจังหวะแบบนั้นก็ให้เรารู้สึกตัวไปด้วยกลาบพระก็ดีเปิดประตูก็ดีแหละนั่งลงที่โถส้วมก็ดีก็ให้มันเหมือนมันจะขยายไปสู่การปฏิบัตินอกรูปแบบด้วยนะคือไม่ได้เน้นแค่ทำในรูปแบบกิจวัตรอิทยาบทที่เราทำเรียกว่านอกรูปแบบคือชีวประจําวันนะ เราก็ให้เราเนะี่ยคอยมันที่จะมีสตินะอยู่กับการทําสิ่งต่างๆพวกนั้นไปด้วยอนุบา ก, ก็จะเน้นทั้งในรูปแบบนะแล้วก็นอกรูปแบบให้มันให้มันได้บ่อยๆที่สุดนะไม่ใช่คําว่าต่อเนื่องไม่ใช่แปลว่าแบบตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่หลงคิดเลยไม่ไม่ดืม่มเลยเนะี่ยไม่ได้นะจะเครียดมากเลยเออให้บ่อยที่สุดนะ ความบ่อยที่สุดนะเาบ่อยที่สุดเราลึกได้เมื่อไรทำทันทีลดึกได้เมื่อไรนะกลับมารู้สึกตัวทันทีเนะี่ยให้บ่อยที่สุดนะอืมนี่นคือเราก็จะเกิดเรียกว่าเหมือนสติมันก็จะเป็นมันก็จะเกิดได้มากขึ้นนะภาษาพระเรียกว่ามหาสตินะมหาแปลว่ามากหรือมีกำลังที่มันมากขึ้นนะต่อเนื่องได้มากขึ้น ทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบแล้วก็สมัคคีนะสติจริงๆมันรู้ได้ทั้งกายแล้วก็รู้ได้ทั้งใจมันไม่ใช่เป็นเหมือนขั้นบันไดแบบทำกายเป็นเดือนเป็นปีแล้วค่อยมาดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่จริงสติจริงๆมันสามารถสดับที่จะรู้สึกได้ทั้งกายแล้วก็ทั้งเวทนา หรือทั้งจิตนะในขณะที่เรายกมือนี่แหละ ร, รู้สึกร่างกายขึ้นมาจิตมันเผลอไปคิดมันก็รู้จิตได้เลยเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นมาบางทีมันเด่นมาเราก็รู้มันได้รู้ได้ทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตนะสะดับไปสะดับมาแต่ก็อย่างที่ว่าการรู้กายเนี่ยรู้ ขนาดที่ปัจจุบันที่มันทำแต่การรู้จิตเนี่ยอย่าไปรอที่จะรู้มันเกิดขึ้นมาก่อนมันหนีไปคิดก่อนแล้ว ร, รู้มันเกิดความสุขขึ้นมาก่อนแล้ว ร, รู้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้ว ร, รู้เนี่ยเราก็จะเห็นสะับได้ว่าอืมขนาดที่เราดูกายเยนี่ยบางทีเราก็จะเห็นเห็นจิตที่มันเผลอไปได้เห็นความคิดที่มันแทรกเข้ามาได้แล้วแบบนี้ก็ไม่ใช่แปลว่าการเห็นแบบเนี้ย เรียกว่ า, าการมีสติเหมือนกันนะอืมแม้บางครั้งอาจจะเผลอไปคิดบางครั้งบางอารมณ์อาจจะนานนิดนึงบางอารมณอาจจะจมเข้าไปก่อนกว่าจะรู้ตัวให้มองว่ามันเป็นธรรมชาติว่าขณะที่ฝึกอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละบางอารมณ์ก็รู้ได้เร็วบางอารมณ์ก็รู้ได้ช้าธรรมดานะอย่าไปคิดว่าปฏิบัติแล้วมันจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันจะทําได้ เนี้ยทันทีนะที่จริงมันเหมือนเราฝึกหัดทุกอย่างยงเนี่จะเป็นนักปีลานะกว่าจะเก่ง ก, ก็ฝึกมาเป็นเป็นแดมปีนะจะเป็นนักดนตรีนะเออเล่นได้กับเล่นแบบกับเล่นแบบเรียกว่าเก่งมากๆเนี่ยมันก็ต่างกันนะพอเล่นได้นะปฏิบัติทํานักแรกๆมันเหมือนพอพอได้พอรู้สึกได้มากขึ้น แต่เราฝึกมากขึ้นเรื่อยๆแต่จะเห็นข้อผิดพลาดเห็นความหลงเห็นความพลาดนะที่ในการปฏิบัติธรรมของตัวเองเนี่ยแหละนะจะเห็นเห็นการวางใจที่ผิดเป็นแบบไหนไม่ใช่พยายามจะวางใจที่ถูกนะแต่เห็นการวางใจผิดอย่างไรบ้างสิ่งที่หลวงว่จเทียนท่านใช้คําว่ารู้ซื่อนะ คือเหมือนคล้ายๆสภาวะซื่อๆจริงๆเน่ะมันเหมือนคล้ายๆท่านให้เป็นมาตรฐานไว้แต่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นความไม่ซื่อของจิตก <c oughs> ารเห็นความไม่ซื่อของจิตนั่นแหละมันคือมันทําให้เรากลับมาซื่อกลับมาเป็นกลางนะมา เ, เทียบมาเปรียบเทียบเหมือนเราขับรถอะเหมือนมันเลนของเราอะมันตรงกลางมันก็พอที่รถมันจะวิ่งได้อยู่ตรงไหนนะมันจะตกซ้าย ถนนเป็นแบบไหนมันจะไปกลางเต้นถนนทั้งขวาเป็นแบบไหนเราฝกคองกลางๆไว้แต่ถ้าเราแบบพยายามที่จะกลางตลอดเลยนะมันจะเกร็งนะมันจะเหนื่อยเราก็แค่ต่างๆสบายๆมันจะออกมากเกินไปก็ค่อยกลับมาออกมากเกินไปกลับมาเลยนะเหมือนจิตตอนไหนฟุ้งซ่านมากๆคิดนานตั้งใจดึงกลับมาสักหน่อยตั้งใจกลับมาหรือตอนไหน มันเพ่งเดินไปก็ทำอะไรให้มันสบายนะถอนหายใจเลยนะหายใจให้สบายขยับตัวให้สบายมันเหมือนบางทีมันสุดต่งไปแล้วก็ดึงกลับมาทั้งหน่อยแต่ถ้ามันไม่สุดต่งมากแค่หลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้เนี่ยไม่เป็นไรนะแม้แต่รู้กายเองก็ไม่ใช่แบบรู้แบบไปจับเนาะมันเหมือนเหมือนธรผัส ไปทีและขน่ะแต่ถ้ายมยมจับนักเหมือนน่ะมันมนมันใช้มันบางทีมันแนบนะมันแนบมันใช้เวลามันมันคนรู้แบบพยายามรู้ให้ชัดรู้ให้ชัดมันจะชแต่จริงนะมันไม่ต้องแบบมันบางทีมันมันเหมือนเรากดเดียวมันเหมือนล็อกกด เนี่ยมันเหมือนชัดนะแต่มันคือแช่เข้าไปแต่จริงมันเหมือนเนี่ยเหมือนสบายกว่ารู้สึกตัวจริงมันเหมือนรู้แล้วจบรู้แล้วจบไปไม่ใช่แบบรู้แบบเข้าไปเป็นผู้รู้ไปอยู่ในความรู้นะให้มันชัดแต่น่ะก็รู้อ่ารู้รู้จิตก็เหมือนกันนะรู้แบบไม่คิดรู้แบบไม่วิเคราะห์ แค่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็เป็นของมันแค่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูแบบเป็นผูด้ดูฮะเหมือนถึงว่าไม่ใช่รู้ว่าไปคิดวิเคราะห์ทําไมมันถึงคิดอย่างนี้ทําไมถึงมีอารมณ์แบบนี้ทําไมถึงจะหายอะไรนะแค่รู้วังเกิดขึ้นมาเหมือนเราคล้ายๆเหมือนเราถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราดูหนังดูละครนะเหมือนนาที่เราเหมือนแค่ ด, ดูอ่ะเขาจะเล่นอะไรเขาจะพูดอะไรเขาแสดงอะไรก็ดูมันไป หน้าที่เราไม่ใช่เป็นนักวิจารณ์หนังไม่ใช่เป็นผู้กำกับบทไม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่เป็นนักแสดงได้เราก็ดูเขาแสดงอะไรก็ดูเราจะเห็นนะ่จิตมันแสดงอะไรขึ้นมาก็ดูมันแล้วเราจะเห็นว่าที่จริงมันพีห่นหนังเรื่องเดียวนะมันเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเหมือนมีใครไม่เป็นดีมอดไม่รู้กดมั่วไป เ, เรื่อยนะล้วก็ดูคนไป เราไม่ได้เลือกนะแต่มันเกิดของมันเองเกิดของมันเองมันเหมือนมันนี้นะเหมือนเรานั่งดูไม่ใช่เราเลือกเปลี่ยนอะไรนะแต่เหมือนอะไรไม่รู้มันมากดเปลี่ยนให้เห็นเดี๋ยวมันก็เกิดมาเดี๋ยวมันก็เกิดอีกละอเราก็เห็นว่าเนี้ยมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่เราอยากจะเป็นแต่มันจิตมันเป็นของมันเองอ่ามันจะคิดเรื่องนี้ก็เป็นของมันเองมันจะสุขออ อยู่ทีเด็กก็สุขอยู่ดีเด็กก็ทุกข์อะไรนะมันเป็นของมันเองภาษาหลงพ่อพุทธทาณนะท่านใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะตะตาตาเขาจะยากมากนะตอนแรกเนะี่ยงงมากเป็นเช่นนั้นเองอะไรเป็นเช่นนั้นเองอออืจิตเนี่ยแต่มันเป็นเช่นนั้นเองนะเออความไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละมันเป็นเช่นนั้นเองมันก็ แต่ความหลงคือเรามันจะมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะมันไม่ยอมรับความเป็นเช่นนั้นเองของของธรรมชาติซึ่งอันนี้แหละมีสติเราจะเห็นเห็นเห็นะนะก็ดูมันจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนะก็ฝึกสติทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบนะให้มันได้บ่อยที่สุดนะ นี่ยคือความเพียนคือเนะ่ความเพียอนนะฝึกนะให้เยอะๆนะแต่ฝึกด้วยความไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรนะแต่พยายามทําเหตุให้ให้มันถูกทางสังเกตนะสังเกตดู ต, ตัวเองนะอืมนะเดี๋ยวเราก็ไปรับประทานอาหารก่อนเนาะแล้วก็กลับมาปฏิบัติกัน่กนละาบพระกัน